คำว่าชนก็คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหันปัญญาชิตเทวดามนุษย์ภิกษุไม่พึงคิดคือไม่พึงยังความคิดให้เกิดไม่พึงยังความดั่งริแห่งจิตให้เกิดไม่พึงยังมรณะสิการให้เกิดขึ้นเพื่อจะกล่าวการคอนว่าการนินทาการสันเซการไม่สรนเสริญการไม่พรรณนาคุณแห่งชนด้วยศีลวิบัติคืออย่าไปด่าเข้าเรื่องศีลเรื่องอาจาระเรื่องพธิธีเรื่องอาชีววิบัติเนี่ยนะ ก็อย่าไปพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีใครบริบูรณ์ดีกันทุกคนหรอกมันก็มีข้อเสียกันอยู่นั่นแหละแต่ก็อย่าไปพูดถึงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเหมือนกันอย่าไปพูดถึงความเลวของคนอื่นเหมือนันนี่ยจริงการพูดถึงความเลวของคนอื่นน่ยนะจิตในขณะนั้นก็ไม่ได้ดีอะไรจิตอันนั้นจิตที่พูดถึงความเลวของคนอื่นจิตนั้นก็เลวด้วยเพราะมันเชื่อท่าทมันใกล้ๆกัน ธาตุเลวมันจะอยู่ใกล้ๆกับธาตุเลวนั่นแหละแตถ้าใครที่บอกว่าคนดีเหลือเกินแต่ชอบเอาเรื่องเลวมาคิดเนี่ยนะคนนั้นไม่ใช่คนดนนีใครที่บอกว่าฉันเนี่ยคนเลวมากแต่หาแต่เรื่องดีๆมาคิดก็แสดงว่าคนดนนีใครที่บอกว่าคนดีแต่ชอบคิดเรื่องความชั่วสามประการก็นั่นแหละคนเลวแล้วเหงือนกันต่อไปว่าลำดับต่อไปภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อตําจัดราค่าเหล่าใด ราคะเหล่านั้นเป็นทุลีหประการในโลกพึงปราบปรามราคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและพัสสัคเนี่ยนะคำว่าทุลีหประการเนี่ยนะก็คือราคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธะะนั่นแหละเรียกว่าทุลีหประการราสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพระจุลบรรทกว่าราคะเรากล่าวว่าเป็นทุลีไม่ได้กล่าวละอองว่าเป็นธุลีฝุ่นไม่ใช่ทุลีหรอกม嘛 คำว่าธุลีนี้เป็นชื่อของราคาบัณฑิตนั้นทั้งหลายเหล่านั้นอะละทุลีนั้นแล้วย่อมอยู่ในาศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าผู้ปราศ จ, จากทุลีโทสะเรากล่าวว่าเป็นทุลีไม่ได้กล่าวละองว่าเป็นทุลีคําว่าทุลีเป็นชื่อโทสะของโทสะเนี่ยนะบนดิตทั้งหลายนั้นอะละธุลีนั้นแล้วย่อมอยู่ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลี โมหะเรากล่าวว่าเป็นทุลีไม่ได้กล่าวละ อ, องว่าเป็นทุลีคําว่าทุลีเป็นชื่อของโมหะบัณฑิตทั้งหลายนั้นอะ่ะละทุลีนี้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีนะคำว่าฝุ่นทุลีเนี่ยนะขี้ผงอะ่ะเป็นชื่อของราคะโทสะโมหะแต่ไม่ใช่ฝุ่นละ อ, องนี่เป็นทุลีอะไรรอกเพราะฉะนั้นถ้าท่านละทุลีคือราคะโทสะโมหะได้แล้วก็อยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากราคะโทสะและโมหะ คำว่าราคะเหล่าใดเนี่ยนะที่บอกว่าภิกษุเพิ่งเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกําจัดราคะเหล่าใดความว่าราคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโภตพภะคําว่ามีสติก็คือความระลึกความระลึกได้เนี่ยนะความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสตินีสติพร ะ, ะสัมมาสติสติสัมโพชงเอกายนามัคนี้เรียกว่าสติ ภิกษุเป็นพูดถึงเข้าไปถึงเข้าไปถึงพร้อมเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้พร้อมประกอบด้วยสตินี้เรียกว่ามีสติเนี่ยนะคำว่าเพึ่งศึกษาเนี่ยนะสิกษาก็สิกคาสามมันนะ อธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาก็คือปาติโมขสังวรอธิจิตสิกขาก็คือฌานสี่อธิปัญญาสิกขาก็คือรู้เหตุเกิดความดับรู้อริยสัจนั่นแหละคำว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกําจัดราคะเหล่าใดความว่าบุคคลผู้มีสติพึงศึกษาแม้อธิศีนแม้อธิจิต แม้อธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะเพื่อกําจัดเพื่อกําจัดเฉพาะเพื่อละเพื่อสงบเพื่อสละคืนเพื่อระงับซึ่งราคะเหล่าใดตั้งสติไว้นี่นะคือกุศลธรรมที่เราเจริญนะจะเป็นอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาก็ตามต้องน้อมไปว่าจงเป็นไปเพื่อกําจัดราคะจงเป็นไปเพื่อกําจัดโทสะจงเป็นไปเพื่อกําจัดโมหะอันนี้ต้องตั้งก่อนอันนี้การปรารถนาพระนิพพานที่ชัดชัดตรงตัวขึ้นนะนะี กุศลเกิดขึ้นก็น้อมจิตไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะเลยนะซึ่งตรงนั้นอาจจะกำจัดได้แค่แต่ทางค่าประหารแต่ก็ตั้งอัธยาสายตั้งอุปนิสัยเพื่อเป็นเป็นการกำจัดโดยสมุเทเฉทประหารเลยเพราะฉะนั้นราคะเหล่าใดไม่ว่าจะเป็นราคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธะะนึกถึงสิกขาเหล่านี้ที่จเจรเนี่ยเพื่อกำจัดราคะเนี่ยรู้ นะนะรู้เห็นพิจารณาอธิษฐานจิตนะนะมันอบรมสิกษาเหล่านี้ก็เพื่อกําจัดราคะนะคำว่าพึงปราบปรามราคะเหล่านั้นความว่าราคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธะเพึงทราบว่าคือพึงปราบพึงปราบปรามครอบงามครอบงามเฉพาะกําจัดย่ายีซึ่งราคะในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะนะนะสรุปคาถาที่กล่าวไปว่า ลำดับต่อไปภิกษุพึงเป็นผู้มีสติคือศึกษาสิกขาสามเพื่อกําจัดราคะเหล่าใดราคะเหล่านั้นเป็นทุลีหประการในโลกทุลีในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่นะภิกษุพึงปราบปรามราคะเหล่านั้นคือราคะในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสภิกษุเป็นผู้มีสติมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วพึงกําจัดฉันทะในธรรมะเหล่านั้นภิกษุนั้น เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมะโดยชอบตามการเป็นผู้มีจิตเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นพึงกําจัดเสียซึ่งความมืดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดังนี้อันนี้เป็นคาถาสุดท้ายเนี่ยนะคำว่าผู้มีสติเนี่ยนะพนวิเศษดีแล้วมีพึงกําจัดฉันทะเนี่ยชื่อว่าฉันทะฉันทะเป็นชื่อของตันหาเนี่ยนะ ฉันทะคือความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลิดเพลินในกามความปรารถนาในกามความเสเนหาในกามความเร่าร้อนในกามความหลงในกามความติดใจในกามกามโมคะกามโมโยคะกามุปาทานกามฉันทะนิวร์ในกามทั้งหลายคือตัณหาในวัตถุกามนั่นแหละกิเลสกามในวัตถุกามคำว่าพึงกำจัดฉันทะในธรรมเหล่านั้นคำว่าพึงกำจัดกำจัดเฉพาะละบันเทาทําให้สิ้น ให้ถึงความไม่มีซึ่งตันหาคือฉันทะอันนี้ในรูปเสียงเกลี่นรสและโพธะคำว่าภิกษุก็คือหมายถึงภิกษุกลยานปุตุชนหรือพระเสขะคำว่ามีสติก็คือมีสติด้วยตัวระลึกระลึกถึงเป็นต้นนะตัวสัมมาสติสติสัมโพชงเอกายนมกักเรียกว่าสติผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมคือสติดังกล่าวแล้วเรียกว่าผู้มีสติ คำว่าเป็นผู้ม ad ad er ีจิตพ้นวิเศษดีแล้วก็คือจิตของผู้เข้าปฐมฌานก็พ้นจากนิวรจิตของผู้เข้าธุติยะฌานก็พ้นจากวิตกวิจารจิตของผู้เข้าตติยะฌานก็พ้นจากปีติจิตของผู้เข้าจจตุทะฌานก็พ้นจากสุขและทุกขจิตของผู้เข้าอากาสารนันจายตนะก็พ้นจากรูปประสัญญาปฏิฆาสัญญานานตตสัญญาจิตของผู้เข้าวิญญาณันจายตนะก็พ้นจาก อากาสานัญจายตนาจิตของผู้เข้าอากินจัญญายตนะก็พ้นจากวิญญาณัญจายตนะจิตของผู้เข้าสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะก็พ้นจากอากินจัญญายตนะจิตของพระโสดาบันพ้นจากสกายาทิถิวิจิกิจฉาสีและพรตาปรามาตทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและจากเหล่ากิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกันกับสักกายาทิถิวิจิกิจฉาสีและพระตาปรามาตเหล่านั้นนะนะ จิตของพระสกทาคามีพ้นพ้นวิเศษพ้นดีแล้วจากกามราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างหยาบและจากเหล่ากิเลส ท, ที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันกับการมมราคานุสัยเป็นต้นนั้นจิตของพระนาคามีก็พ้นพ้นวิเศษพ้นดีแล้วจากการมราคะสังโยชน์ปฏิคะสังโยช์จากกามราคานุสัยปฏิคานุสัใสละเอียด และจากเหล่ากิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฝ่ายเดียวกันกับกามราฆะสังโยชน์เป็นต้นนั้นส่วนจิตของผ้าฐานเนี่ยพ้นพ้นวิเศษพ้นดีแล้วจากรูปปาราคะอรูปปาราฆะมานะอุทะจะอวิชามานานุสัยภวาราคานุสัยอวิชานุสัยและก็กิเลส ท, ทั้งหมดที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันกับกิเลสเหล่านั้นและจากสัพพานิมิตภายนอกเรียกว่ามีจิตพ้นวิเศษโดยสรุปก็คือมีจิตพ้นด้วยรูปปัจจานอรูปปัจานและ จิตของพระอริยะนั่นเอง <c oughs> คำว่าตามการเนี่ยนะบอกเมื่อจิตฟุ้งสั้นเป็นกาละของสมถะนะถ้าจิตฟุงนะ้งเนได้เวลาสมควรที่จะเจริญสมถะเมื่อจิตตั้งมั่นสงบก็เป็นกาละของวิปัสสนานี่จาง่ายๆถ้าฟุ้งสมถะจิตสงบกาละวิปัสสนาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า โยคโคีใดย่อมประคองจิตในการย่อมข่มจิตในการย่อมให้จิตรื่นเริงโดยการย่อมตั้งจิตเอาไว้ในการย่อมวางเฉยตามการโยโคีนั้นชื่อว่าผู้ฉลาดในการนี่นะเก่งมากนะที่แ ร, รู้จักประคองรู้จักข่มรู้จักให้จิตร่าเริงรู้จักตั้งจิตแล้วก็วางเฉยได้เนี่ยในการละที่เหมาะสม ถามว่าความประคองจิตควรมีในการไหนการข่มจิตควรมีในการไห น, นการให้จิตรื่นเริงเนี่ยควรมีในการไหนและกาละของสมถะเป็นเช่นไรบัณฑิตย่อมแสดงกาละที่วางเฉยแห่งจิตของพโยคีเนี่ยเป็นอย่างไรอธิบายว่าเมื่อจิตของพโยคีย่อหย่อนเป็นกาละที่ควรประคองประคองด้วยอะไรประคองด้วยวิริยะสัมโพชงเนี่ยนะ เมื่อจิตของพโยคีฟุ้งซ่านเป็นกาละที่ควรขม่มก็ข่มด้วยปัสสัตที่สัมพ่ชงสมาธิสามพ่อชงนั่นแหละพโยคีพึงยังจิตให้ถึงความที่ไม่แช่มชื่นให้รื่นเริงในการนั้นจิตเป็นธรรมชาติไม่รื่นเรงไม่ย่อหย่อนไม่ฟุ้งซ่านย่อมมีในการใดกาละนั้นเป็นกาละของสมถะใจพึงยินดีภายในด้วยอุบายนั้นนั่นแหละจิตเป็นธรรมชาติตั้งมั่นย่อมมีในการใด ในการนั้นโยคียควรวางเฉยจิตซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นด้วยปัญญาทีรชนผู้รู้แจ้งกาละทราบกาละฉลาดในกาละพึงกําหนดอารมณ์ที่เป็นนิมิตของจิตตลอดการตามการอย่างนี้เนี่ยนะคำว่าเมื่อพิจารณาโดยชอบความว่าเมื่อพิจารณาโดยชอบซึ่งสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะ ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมสมุทยาวาระปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมนิโรสวาระนะพิจารณาอาริยสัจพิจารณาเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสระาของภาษายตนา6อุปาทานขัน5แล้วก็มหาภูตรูป4นะรู้ซึ่งอภินยยธรรมเป็นต้นตลอดจนถึงว่ารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดา คำว่าที่ว่ารู้การเนี่ยนะกาละใดเป็นกาละของสมถะกาละใดเป็นกาละของวิปัสนาเนี่ยซึ่งพระสัตธกราที่บายว่าบทว่ากาเลนโสทสัมมาธรร ม, มานังปริวิปริวิมังสมาโนเนี่ยนะในหน้า681อแปอธิบายว่าภิกษุนั้นพึงพิจารณาธรรมะ โดยชอบตามการคือพิสูจนนั้นพึงพิจารณาสังคตธรรมทั้งปวงเนี่ยโดยนัยะโดยความเป็นของไม่เที่ยง น, ยนะนะถ้าจิตสงบตั้งมั่นแล้วนะน้อมไปพิจารณาอนิจจโตทุกขโตโรคโตอนั ต, ตโตเป็นต้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละอันนั้นแหละคือเราเป็นจิตเนี่ยได้กาละแล้วส่วนกาละที่จิตฟุ้งซ่านเป็นกาละของสมถะ น, นะนะถ้าพิจารณาอาฟุ้งแล้วนะเจริญสมถะ พระฉะนั้นพิกษุเป็นผู้มีจิตเป็นธรรมเอกผุดขึ้นพึงกำจัดเสียซึ่งความมืดเนี่ยนะคือภิกษุนั้นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งพึงกำจัดเสียซึ่งความมืดมีโมหะทั้งหมดเป็นต้นเสียไม่มีความสงสัยในข้อนี้บทว่าอุทธเตจิตเตเมื่อจิตฟุ้งซ่านคือเมื่อจิตไม่สงบด้วยอํานาจวิริยินทรีย์จิงอยู่ความเพียรมีกําลังสมาธิอ่อนย่อมครอบงำความฟาุ้งซ่าน สมาธิอ่อนเนี่ยนะเพราะความเพียรเป็นฝ่ายแห่งความฟุง้งซ่านเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นกาละที่จะเจริญสมาธิถือถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นกาละที่จเจริญสมาธิเหมืนันนะเมื่อจิตตั้งมั่นด้วยอุปจาระและอัปปนาถ้าจิตตั้งมั่นด้วยอุปจาระสมาอัปปนาก็เป็นกาละที่จะเจริญวิปัสนาเนี่ยนะจริงอยู่สมาธิมีกำลังความเพียรอ่อนย่อมครอบงำความเกียจคร้าน เพราะสมาธิเป็นอยู่ในฝักฝ่ายแห่งความเกียรคร้านสมาธิอันวิริยะผูกไว้ย่อมไม่ตกไปในความเกียรคร้านวิริยะอันสมาธิผูกไว้ย่อมไม่ตกไปในความฟุ้งซ่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมาธิกับวิริยะต้องคู่กันไปให้พอดีพอดีอดกันวิริยะมากฟุง้งสมาธิมากง่วงเันหัวิริยะกับสมาธิเนี่ยให้พอดีกันเพราะฉะนั้นแต่ถ้าทั้งสองสม่ำเสมอกันจะได้ชานเห็น คือถ้าไม่ฟุ้งกับคือถ้าสมาธิเด่นเกินไปเลยจะตกไปในง่วงใช่ไหมเพียนเกินไปจะหนอกไปฟุง้งอ่ะทำไมให้พอดีแล้วจะได้ชาส่วนวิปัสนายะตากาโลเนี่ยนะเขาว่าวิปัสนาการะแห่งวิปัสนาคือเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนี้เป็นกาละแห่งวิปัสนาละอย่างด้วยอํานาจแห่งอนิจจาลักษณะเป็นต้น น, นะเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นก่อน้องไปพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเนี่ยนะ ศรัทธาแม้มีกำลังก็ควรแก่ผู้ประกอบด้วยสมาธิถ้าถ้าจะเจนเน้ น, เ, น, นเจริญสมาธิอย่างเดียวศรัทธามากดีเพราะว่าศรัทธาอย่างนี้ย่อมได้อัปปนาศรัทธามีกำลังในสมาธิและปัญญาย่อมควรเพราะผู้ประกอบด้วยสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งจริงอยู่ผู้ผู้นั้นย่อมได้อัปปนาด้วยอาการอย่างนี้นะนั้นผู้จเจริญสมถะเนี่ยนะศรัทธามากดี ส่วนวิปัสส่วนปัญญามีกำลังย่อมควรแก่ผู้ประกอบวิปัสนาเนี่ยนะเพราะผู้นั้นย่อมบรรลุ ก, การแทงตลอดลักษณะคืออนิจจังเป็นต้นเนี่ยนะก็ด้วยสา ม, มารถแห่งวิปัสนาแต่ถ้าทั้งสมถาวิปัสนาควบคู่กันได้เนี่ยนะจะได้อัปปนาอัปปนานี้ต้องระดับมรรคนและส่วนคำว่าประคองจิตในการละอันควรเนี่ยนะหมายถึงว่าสมัยใดที่จิตหดหูเพราะว่าความเพียรย่อหย่อน เพราะฉะนั้นสมัยนั้นควรประคองด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงและปีติสัมโพชฌงแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ควรข่มด้วยปสัสสัตที่สัมโพชฌงสมาที่สัมโพชฌงและอุเบขาสัมโพชฌงแต่ถ้าหากว่าจิตไม่รื่นเริงไม่ร่าเริงเนี่ยนะสมัยนั้นก็ให้พิจารณาสังเวกวัตุแปด มันหดหูมันซึมซึมเสื่อมเสื่มไม่อยากเจริญมันอยากนั่งเฉยเมันอยากนิ่งนิ่งซื่อซืบื้อบื้บนเนี่ยนะพวกนี้ก็คิดเรื่องแนวสังเวกับวัตถุ8ชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยเอามาคิดบ่อยๆแล้วก็ทุกในอบายเป็นที่ห้านะก็ น, นี่แหละเปรตไอพวกเด ร, ราชาดมันก็เฉยเนี่ยนะเราก็คิดอย่างเงี้ยน้อมไปคิดอ น, นะเอาความเฉยอย่างเงี้ยของสัตว์ในอบายมาเทียบดูนะหรือว่าทุก ที่มีในวัดตะเป็นมูลในอดีตเนี่ยนะโอ้ยในวัดน้ำตาในวัดตะที่ผ่านมาก็มากกว่าน้าทะเลมหาสมุทรแล้วนะถ้าปล่อยจิตบื้อซื่อๆ อ, อ, อย่างนี้ก็อนาคตต่อไปก็น้ําตาก็จะนองมากกว่ามหาสมุทรอีกแล้วและข้อสุดท้ายก็คือทุกในการสแสวงหาอาหารในปัจจุบันชาตินี้ก็เดือดร้อนเพราะหาทํามาห า, หากินนี่แหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นหรืออีกในหนึ่งก็ทําจิตให้เลื่อมสายด้วยการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนี่ก็เรียกว่าทําจิตให้ร่าเรือง พิจารณาสังเวกวัตถุ ก, ก็ได้หรือระลึกถึงคุณพระตนะไตรก็ได้จะทำให้จิตร่าเริงส่วนถ้าสมัยใดศรัทธาและปัญญาสมาธิและวิรยิยะเสมอกันพึงตั้งจิตให้ถึงอัปปนาเรียกว่าประคองจิตในสมัยที่ควรประคองคือถ้าหากว่าศรัทธากับปัญญาเสมอกันวิสมาธิกับวิรยิยะเสมอกันแล้วก็ช้ได้ประคองต่อไปส่วนควาว่าวางเฉยในสมัยนี่นะก็คือจิต ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติปฏิบัติดีแล้วไม่หดหูไม่ฟุ้งซ่านมีอาสาธาธาเป็นต้นมีความเสมอเป็นไปเสมอในอารมณ์ดำเนินไปสู่วิถีแห่งสมาธิสมัยนั้นจิตย่อมไม่ถึงความขวนขวายในการประคองการข่มให้ร่าเริงเหมือนนายสารถีเมื่อม้าวิ่งเรียบก็วางเฉยได้ดว่าเอาทฤษฎีขับรถนั่นแหละเป็นเกณฑ์นะนะสมัยบางอย่างก็พวงมาลยัยก็ไม่ต้องไปบิดอะไรมันมากมายประคองก็พอพอนะนะ ที่ว่าวางเฉยตามการไม่ใช่เฉยตอนรถจอดนะรถจอดไม่ได้ไปายไหนเลยนะแต่ จ, จังห น, นี้ก็คือเมื่อรถมันวิ่งไปสม่ําเสมอดีก็วางเฉยเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดเฉียบแหลมก็รู้จักยกรู้จักข่มนะยกด้วยอะไรยกด้วยโพชงสามคือวิริยะธรรมวิจัยสามโพชงข่มด้วย สปัสสที่สามโพชงเนี่ยนะให้ร่าเริงด้วยการระ ล, ลึกถึงสังเวกวาทุหรือพระตนาไตรให้จิตตั้งมั่นเมื่ออินทรีสมำเสมอกันแล้วก็วางเฉยถ้าจิตเป็นไปกับข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีนี่นะส่วนคถาต่อไปว่าไอ้คำอธิบายต่อไปว่า คำว่ามีจิตเป็นธรรมเอกผุดขึ้นก็คือมีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีใจไม่กวัดแกว่งคำว่าพิสูจนนั้นพึงกำจัดความมืดเนี่ยนะคือถ้าจิตสงบตั้งมั่นอย่างนั้นก็พึงขจัดกำจัดละปัญเทาทําให้สิ้นให้ถึงความไม่มีซึ่งความมืดคือราคะความมืดคือโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตอันทําให้บอดทําให้ไม่มีจักรสุทําให้ไม่มีฌานดับปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความลําบากไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะ ส่วนคำสุดท้ายก็เป็นคําที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้า ว, ว่าพัควานี้เป็นคําที่กล่าวด้วยความเคารพเห็นไหมหรือพัควาเพราะทําลายราฆาโทสะโมหะมานะทิฐิเสียนหนามกิเลสทุจริตนี่เรียกว่าพัควากําจัดบาปอากุศลทุกชนิดชื่อว่าพักวาก็เพราะพระองค์ได้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะหรือชื่อพัควาก็เพราะว่าทรงธรรมที่สุดแห่งพบทั้งหลาย พระองค์เป็นผู้มีกายมีศีลมีจิตอันมีปัญญาอันอบรมแล้วหรือพระองค์ซ่องเสพปัดเสนาสนะอันสงัดเห็นะหรือพระองค์มีส่วนแห่งปัจจัย่มีส่วนแห่งไตรสิกขานี่นะอันมีอัทธรสธรรมรสและวิมุตติรสพระองค์มีส่วนแห่งฌานสี่อัปมัญญาสีอรูปสมาบัติสมีส่วนแห่งวิโมก8อภิภายยตนะแอนุปุพพสมาสมาบัติ9มีส่วนแห่งสมาบัติเนี่นะเรียกว่าพระว่า หรือมีส่วนแห่ง ส, สัญญาภาวนาสิบกสินสมาบัติสิบอนาปานาสติอสุภาสมาบัติหรือพระองค์มีส่วนแห่งโพธิปัจขยธรรมพระองค์มีส่วนแห่งตถาคตโพลยานสิบเวสารัชยานสีปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหพุทธธรรม6กเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระวาสรุปคาถาสุดท้ายที่กล่าวไปแล้วก็คือภิกษุเป็นผู้มีสติมีจิตพ้นวิเศษแล้วพึงกําจัดฉันทะในธรรมะเหล่านั้น ภิกษุนั้นเมื่อกําหนดพิจารณาธรรมะโดยชอบตามการเป็นผู้มีจิตเป็นธรรมเอกปุตรขึ้นพึงกําจัดความมืดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดังนี้ดังนั้นก็จบสารีปุตสูตรที่16แล้วก็จบมหานิเทศด้วยนะจบสุตตานิเทศที่16เพราะมหานิเทศเนี่ยมีอยู่16เรื่อ ง, องนะมีอยู่16ก็เป็นวักเดียวเรียกว่าอัตตะวักเพราะฉะนั้นอัตตะวักก็จบอันตอนหลังก็เราจะได้ต่อในจุลนิเทศเนี่ยนะปรายณาวัก ปัญหาของอมานพสิบหกท่านและก็คักค้ า, า, ว า, าวิสานวักในวันต่อไปวันนี้ก็สมควรแกัเวลา